และอัตถะแห่งสมุทยยศาสตร์นั้นมีสประการเหมือนกันคืออายุหนัตโถมีอัตถาว่าประมวลมาประการหนึ่งนิทานัโถมีอัตถาว่าเป็นเหตุประการหนึ่งสังโยคัตโถมีอัตถาว่าประกอบประการหนึ่งปริโพทัตโถมีอัตถาว่าเป็นกังวลประการหนึ่ง เป็นสี่ประการด้วยกันอัตถะเป็นปฐมคืออายุหนะโทนนั้นเป็นลักษณะแห่งตนแห่งสมุทยศัตว์แสดงสมุทยศัตว์เป็นแท้อายุห น, นั้นแปล ว, ว่าประมวลมาอธิบายว่าตัณหานั้นเป็นเจ้าหมูเจ้ากรมใหญ่เป็นพนักงานตกแต่งซึ่งกองทุกข์ให้แก่สัตว์ตวทั้งปวง ประมวลมาซึ่งกองทุกข์ให้แก่สัตว์ตว่าทั้งปวงไม่เลือกหน้าตัณหานั้นว่าโดยสังเกตมีสองประการคืออัตถฐาตัณหาประการหนึ่งปรัฐาตัณหาประการหนึ่งอัตถฐาตัณหานั้นคือปรารถนาจะให้เป็นประโยชน์แก่นตนเองจะให้สมบัติพัสสถานสริงคารบริวารทั้งปวงมาเป็นของตน และประารันานั้นคือปรารถนาจะช่วยบุคคลผู้อื่นแต่บรรดาที่ตนรักตนใครมีบุตรภริยาเป็นต้นเป็นประธานและความปรารถนาทั้งสองประการนี้รั้นไม่สำเร็จดังความคิดความหมายก็ย่อมให้เกิดทุกข์เนืองๆมิรู้ขาดแม้ว่าจะได้สำเร็จโดยใจคิดใจหมายก็ดีและอาการซึ่งจะได้นั้น ไม่ได้ด้วยรวดเร็วฉับพลันทันใจนึกใจหมายก็ย่อมให้เกิดทุก์เศร้าหมองในอารมณ์นั้นเนืองเนืองมีรู้แล้วและกองทุกทั้งปวงอันจะบังเกิดแกสัพพสัตทั้งปวงทั่วไปในไตรภพโลกนี้ย่อมบังเกิดด้วยอำนาจแห่งตันหานั้นเทียงแท้โดยกำหนดที่สุดแต่สัตว์อันเล็กอันละเอียดเป็นต้นว่าเรือและไรนั้น ก็ยอมบังเกิดทุกข์เพราะเหตุมีความปรารถนาตามวิสัยแห่งตนที่เป็นสัตว์อันเล็กอันละเอียดขึ้นชื่อว่าประกอบอยู่ด้วยตันหาแล้วก็เที่ยงที่จะประกอบอยู่ด้วยทุกข์ด้วยภัยประกอบอยู่ด้วยอุปัตทวะอันตรายต่างๆแสนทุกข์แสนลำบากจะบังเกิดแกสัตว์ทั้งปวงนี้ก็บังเกิดเพราะตันหาหากตกแต่งให ตันหาหากระทำให้ตันหาประมวลมาทุกสิ่งทุกประการสมเด็จพระศาสดาจารย์จะให้เห็นลักขณะแห่งสมุดทัตรีนี้จึงทรงสแสดงอัฏถาเป็นปฐมคืออายุหนัตโถเป็นลักษณะแห่งตนแห่งสมุดทฤษฎีด้วยประการชนิดและอัฏถาเป็นคำรูปสอง คือนิทานัโหนั้นมีอัธยาที่บายตลอดถึงทุกขาอริยสัตว์จะให้เห็นความชัดว่ากองทุกจะมีแกสัพพสัตทั้งปวงนั้นก็อาศัยแกตันหานี้เป็นเหตุมีเหตุคือตันหาแล้วก็สำหรับแต่ที่จะให้เกิดผลกล่าวคือกองทุกทั้งปวงมีชาติทุกขุกเป็นต้นเหตุเป็นประธาน พระพุทธองค์ประสงค์จะให้เห็นใจความตลอดถึงทุกขอริยสัจชะนี้จึงแสดงอัฏฐะคือนิธานโถเป็นอัฏฐะแห่งสมุทยัยสัจคำรบสองและอัฏฐะแห่งสมุทยัยสัจเป็นคำรบสามคือสังโยคัโถนั้นมีอัฏฐาที่บายตลอดถึงนิโรธสัจจะให้เห็นใจความว่า ข้อซึ่งตัญหาจะประกอบสัตว์ทั้งปวงไว้ในวตารงสารนั้นจะประกอบไว้ได้ก็เพราะเหตุที่สัตว์ทั้งปวงยังมิได้กระทาให้แจ้งซึ่งพระนิพพานสันดานนั้นยังมืดยังมนอยู่ด้วยราคะโทสะโมหะยังมิได้เห็นแจ้งในนิพพานธรรมตันหาจึงประกอบไว้ในอำนาจแห่งตนได้ให้เวียนตายเวียนเกิด เวียนออกกำเนิดอยู่ในวตาสงสารมิได้สิ้นได้สุดเพราะเหตุที่สัตว์ม่ิได้กระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานพระพุทธองค์ประสงค์จะให้เห็นอัฏฐะตลอดถึงนิโรธสัตย์ชนี้จึงแสดงอัฏฐะคือสังโยคัตโถเป็นอัฏฐะแห่งสมุทยาศาสตว์เป็นคำรบสามและอัฏฐะแห่งสมุทยศัตว์ เป็นคำรบสี่คือปรลิโพทัตโหนั้นมีอัฐยาทิบายตลอดถึงมรรคสัตจะให้เห็นความชัดว่าสัตว์ทั้งหลายจะเป็นทุระ ก, กังวลต่อประโยคเสียมิได้นั้นเพราะเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามมรรคสัตอันบริบูรณ์ด้วยองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นอาธิมีสัมมาส ม, มาธิเป็นปริโยสารถ้าอุตสาปฏิบัติตามมรรคสัตอยู่แล้ว ก็อาจจะเปลืองธุระกังวลทั้งปวงซึ่งจะเป็นธุระกังวลด้วยอำนาจแห่งตันหาลุอำนาจแห่งตันหาเป็นนิดนั้นเพราะเหตุที่ลาเมือนเสียมิได้ปฏิบัติตามมรรคสัตย์พระองค์จะให้เห็นใจความชัดตลอดถึงมรรคสัตย์ชะนี้จึงแสดงอัฏฐะคือปาริโพทัตโธเป็นอัฏฐะสมุทยสัตย์ครบสีสิริเข้าด้วยกัน เป็นอัฏฐะแห่งสมุรทรยศสัตว์4ประการชนี